ถือตัวหรือถือดีนะบางทีอะหลงนะแต่อันนี้ให้ฟังว่าเนี่ยเนี่ยท่านก็พยายามสอนแล้วพยายามพระอนนท์นะตอนนี้พระอนนท์สอนพระวังคีสักบอเนี่ยแม้แต่เรื่องของมานะเรื่องของความถือตัวเสียให้สิน้นเพราะการรู้เท่าทันมานะจะทําให้ท่านเป็นผู้สงบระงับกิเลสได้คือพระอนนท์เนี่ยสอนเรื่องกามเสร็จปับ๊บต่อด้วยมานะเลย กามเนี่ยมันหยาบมันเห็นทุกข์ได้ง่ายแล้วก็จะแก้จะล้างก็ยังง่ายแต่มานะนี่ยากแล้วก็เป็นตัวที่ละเอียดกว่าเป็นตัวที่เล็กกว่าโดยเฉพาะยึดดีด้วยวันนี่เราทําได้ดีนะแล้วมันจะไม่ยอมใครอจนกระทั่งบางทีเราเคยมีสำนวน ว, นว่ามานะมัม า, ม า, มาบังกามก็ได้คาว่ามานะม า, มาบังกามหมายถึงว่า ลงคิดว่าตัวเองดีจนกระทั่งนึกว่าตัวเองไม่มีกามแล้วคิดว่าตัวเองไม่มีกามแล้วนะโอ้โหสมมุติว่าเอาสมมุติเป็นนักบวชก็แล้วกันสมมุติว่าเป็นเป็นสมณะเนี่ยแหละบางทีนึกว่ า, าไม่ต้องเอาคนอื่นดีวกว่าเอาอาตมาเองสมมุตินะสมมุติเอาอาตมาเองพราอาตมาว่าโอ้เรื่องพวกนี้สบายมากแล้วนะประสบการมีมาแล้วนะ ต่อสู้มาสาหัสสากันแล้วเพราะฉะนั้นโอ้เนี่ยจะคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้สบายมากเราประมาทนะแต่จริงๆบางทีไอ้ไอ้อนุสัยเนี่ยกิเลสตัวเล็กเล็ ก, ล ก, ลกน้อยๆอยเนี่ยนะมานะเนี่ยมันทําให้เราถือดีกามบางทียังไม่หมดคือว่าการเนี่ยมันยังมีอยู่อาแต่มันยังเหลือเล็กน้อยมันไม่ได้ถึงกับมากอะไรนะแต่ความถือดีของเราเราอวดดี พอถือดีแล้วมันอวดดีมันนึกว่าตัวเองเนี่ยหมดคราวนี้ก็อ้อเออคนนี้ก็นาตาดีไม่คุยไปไม่มีทางไม่มีปัญหาอะไรนะไม่สามารถที่จะมาทำให้เราเกิดกิเลสอะไรได้อีกบางทีคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาการมันขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็ได้สังเกตจากอะไรคราวนี้รู้สึกยิ่งคุยชักคุยบ่อยขึ้นชักคุยนานขึ้นบางที ไม่น่าจะมีเรื่องต้องคุยก็หาเรื่องคุย <c oughs> นะหาเรื่องคุยเออหรือว่าถ้าถ้ามันเริ่มรุนแรงขึ้นนะถ้าไม่ไม่หลอกตัวเองแล้วก็มีสติคอยจับตัวเองเอาไว้นะรู้ตัวจริงๆมันจะเริ่มละคราวนี้พอเอรู้สึกเอไม่เอไม่ได้เจอหน้าหลายวันเลยวฮ่ <c oughs> เอชักคิดถึงชักคิดถึงอ่าเนี่ยอาการมาเริ่มละมนเริ่มไ ม, มใ่ให้คุณรู้ให้คุณเห็นได้ นี่นี่มันขนาดว่ามันไม่ได้หยาบนะ น, นี่ไอ้พวกตัวพวกนี้มันมันมีอยู่จริงจริงเออชักคิดถึงเออเป็นไรเปล่าบางทีถามคนนั้นถามคนนี้เออคนนั้นคนนี้เป็นไงเปล่าแต่บางทีไม่รู้รู้ตัวเองนะว่าเอ อ, เ อ, อชักชักชักมีความยินดีชักมีความพอใจที่จะได้เจอที่จะได้พบพบเห็นคนนี้คนนี้ละถ้าบางทีไม่ทันอีกไม่ทันรู้ตัวเพิ่มไปอีกบอกแล้ว อาจจะเดี๋ยนี้มือถือบอกเรามีแล้วว่าเอ้ะเดี๋ยวโทรไปถามดูวใหญ่ที่เป็นอะไรเปล่าป่วยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า <c oughs> มันไปเรื่อยอ่ะถ้าถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มจนบางครั้งเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นถึงจุดที่คุณคราวนี้นะคุณจะพยายามแบบว่าอะไรไม่รู้ก็ไม่ได้ละคือมันรู้แล้วว่าโอ้โหเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยใช่เลยคราวนี้ใช่เล ย, น, <c oughs> เลยนี่เราเริ่ม ไปรักไปชอบเขาแล้วบางทีโอ้โหรู้ตัวนะมันบานเบอร์แล้วมันเป็นกิโลกิโลแล้วโอ้โหแบกไปต้องเป็นกิโลกิโลแล้วคร น, นี้จะล้างมันจะสู้กับมันนีกโอ้โหยากแสนยากยากแสนยากเลยที่พูดไปเนี่ย พ, พูดจากบอกแล้วพูดจากบทเรียนของตัวเองโอ้โหรู้ตัวได้ดอถึงบอกไม่อยากประมาทเลยไม่อยากประมาทเลยทุกวันนี้ เพราะว่ามันประมาทโดยบางทีมันไม่รู้ตัวจริงๆเพราะเราเร า, เราหลงไปว่าเราเรายึดดีอ่ะเราหลงไปว่าเรามีดีพอที่จะป้องกันตัวเราได้เนี่ยมันเป็นความประมาทของเราจงกระทั่งบางทีเนี่ยจิตมันไม่มีเครื่องคุ้มครองไม่มีเครื่องป้องกันพอเพราะใ น, ในที่สุดก็เลยพลาดท่าเสียทีได้ก็กลายไปเป็นรักไปชอบคนอื่นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้เลย นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยพูดในเรื่องของมานะนี่ให้ฟังเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีมันมีทั้งสองอย่างมานะบังกามก็ได้มานะบังโทสะก็ได้บางคนเนี่ยบอกว่าโห้เกลียดคนนี้ไม่ก็อชอบหรอกมานะมันบังโทสะ <c oughs> <c oughs> กามนันที่จริงมันมีนมกามอยู่นะเพราะว่า การกับโทรศัพ์เนี่ยจริงๆมันมันมันมันคู่กันของมันอยู่อืมบางคนทําเป็นเกียรติที่ไหนได้อะชอบพ่อท่านยังเคยเล่าให้ฟังเลยบอกว่าโอ้โหเทียงกันใหญ่ทะเลาะกันอยู่เรื่อยแล้วก็ไปแต่งงานกันเพราะฉะนั้นแล้วไอ้พวกนี้โอ้ยมันเยอะแยะเรื่องกิเลสที่มากมายไกลกองถ้าศึกษากันจริงๆแล้วก็พยายามไปพื้นปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราถึงจะรู้ว่ากิเลสนี่น่ากลัวมากเลย ไอ like like ้ที่ใช้มีดใช้ปืนใช้อะไรลบพุ่งกันเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากิเลสเราหรอกแล้วที่ฆ่าแกงกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสนั่นแหละที่ทําให้เขาไปลบพุ่งกันถ้าเขาเรียนรู้กิเลสเขาแล้วเขาสามารถที่จะลดละล้างลงมาได้เขาไม่ไปฆ่าลานฟันแทงอะไรกันหรอกเมื่อได้วิธีปฏิบัติแล้วภิกษุบางกีสะก็ได้ลดละกามาราคะจนเหลือเบาบางลงอย่างรวดเร็ว คือที่ทำได้รวดเร็วเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าพระวังกีสะเป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณหรือว่ามีความเฉลียวฉลาดนั่นเองเพราะนั้นพอจริงๆตัวเองก็สามารถที่จะคลายใจตัวเองได้ขนาดหนึ่งละยิ่งมาฟังวิธีปฏิบัติจากพระ อ, อ น, นุนสอนมาอีกก็เลยยิ่งเข้าใจแล้วก็ยิ่งปฏิบัติลดละกิเลสลงไปได้มากขึ้นไปอีกจึงเกิดปิติในมรรคผลของตนยิ่งนัก เพราะเป็นผู้มีไหวพริบปฏจจิพานดีนั่นเองแล้วก็เพราะเหตุดังนี้จึงทำให้บางครั้งก็บังเกิดจิตดูหมิ่นภิกษุทั้งหลายขึ้นมาแต่ก็ด้วยการฝึกฝนและปฏจจิพานของตนอีกนั่นแหละทำให้ได้สนึกละอายแก่ใจคือคือคนเก่งเนี่ยพูดง่ายคนเก่งเนี่ยเข้าใจอะไรก็ง่ายทำอะไรก็ดีทำอะไรก็สาเร็จ เพราะฉะนั้นยิ่งทําได้เก่งยิ่งทําได้ดีทําได้สําเร็จก็มักจะพูดงานบางทีจะหลงได้หลงตัวเองหรือว่ามีความเชื่อมั่นตัวเองสูงเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความดูหมิ่นคนอื่นซึ่งบางทีคนอื่นทํายังไม่ได้หรือทําไม่เก่งเท่ามันจะเกิดพวกนี้เพราะฉะนั้นผ้าบางกีสาะเนี่ยเพราะว่าตัวเองลดกิเลสได้จริงคุณฟังดีดีนะลดได้จริงนะไม่ใช่ว่าลดไม่ได้ลดได้ดีจริงๆเพราะฉะนั้น ภิกษุอื่นที่ไปเจอเนี่ยท่านยังลบลดไอ้กิเลสพวกนี้ไม่ได้ท่านก็เลยชักรู้สึกว่าเออเหนือกว่าเขาเนี่ยมานะตัวนี้คือชักจะรู้สึกว่าตัวเองนี่เหนือกว่าคนอื่นเขามานะมีหลายอย่างนะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าเขาก็ได้อันนั้นก็เป็นมานะที่หลงตัวในลักษณะหลงว่าตัวเองสูงมันมีมานะที่หลงว่าตัวเองต่าก็มีต่ากว่าเขา พวกนี้ก็ก็มีได้นะโดยที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ต่ำกว่าเขาหรอกแต่ตัวเองเนี่ยหลงไปเองเข้าใจผิดไปเองคิดว่าตัวเองเนี่ยสู้เขาไม่ได้เก่งไม่เท่าคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้หรือแม้แต่มานะว่าเราเนี่ยเท่ากันไม่สูงไม่ต่ากับกัน นะอันนี้ก็เป็นอัตามานะคือคือถือดีก็ได้ถือดีว่าตัวเองเนี่ยเสมอกับคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นก็ไม่ยอมกันโดยเฉพาะมานะตัวเนี้ยตัวที่คิดว่าพอฟัดพอเวียงอันนี้แหละอันนี้หนักที่สุดเลยจะไม่ยอมมากที่สุดสูงกว่าเราหรือต่ำกว่าเรานี่ยังยอมได้ง่ายสูงกว่าเรานะจริงๆแล้วเนี่ยยอมง่ายที่สุดถ้าถ้าเราคิดว่าคนอื่นเขาสูงกว่าเรา ไม่ใช่ตัวสูงกว่านะแต่หมายถึงว่ามีคุณความดีมีภูมรทมเนี่ยสูงกว่าบทีเรายังยอมได้ง่ายใช่ไหมเรายังยกให้แต่พอไปเจอคนอื่นที่เราคิดว่าต่ำกว่าเราเงี้ยคราวนี้เรายอมไม่ง่ายแล้วเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะให้ยอมเด็กยากยากมากๆเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอัตตา ม, มานะพวกเนี้ยทาให้ บางทีก็รู้นะว่าตัวเองก็ไม่ถูกนะตัวเองผิดจะจะให้ขอโทษหรือให้พูดอะไรอ่ะยอมรับผิดกับเด็กอย่างเงี้ยจะไม่กล้าจะจะจ ะ, จะอายหรือว่าจะกลัวเพราะว่าอัตามาณว่าเอ๊ะฉันอายุมากกว่าฉันแกกว่าหรือว่าฉันอะไรอะ่ะฉันเป็นพ่อแม่นะอมหรือว่าฉันเป็นพี่นะอืฉัน เป็นพันเตถ้าพระอั น, น, นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่บวชก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะอนนันสองอย่างแล้วส่วนอย่างสุดท้ายที่บอกว่าเสมอกันเนี่ยโอ้โหอันนี้แหละยากที่สุดเลยในบรรดาสามอย่างนี้อ่จตรนี้พอท่านก็จับตา ม, มาณของตัวเองได้นะเพราะว่าก็เป็นคนฉลาดอะ่ะพอจับได้ว่าเอ๊ตัวเองตัวเองนี่ไปมีกิเลสที่ ดูหมิ่นเพื่อนภิกษุเ้วยกันละวว่าโอ้ท่านรูปนั้นรูปนี้อะไรก็สู้เราไม่ได้หรอกบางคนเนี่ยอาจจะไม่พูดนะไม่พูดแต่ดูสายตารู้ดูสายตาแบบว่ามึงสู้กูไม่ได้หรอก <c oughs> นะมองตาก็รู้แล้วตามันแบบมันมันดูหมิน่นเน่ะบางทีมันดูกันรู้อยู่อืปากไม่พูดหรอกแต่ตามันมันออกมาให้เห็นและ อ่ะจริงๆเห็นไหมเ่าบางคนเน่ะดูหนังก็ได้อหนังที่เวลาเขาสแสดงอะนะแบบใช้สายตาดูมินเน่ยเหยียดยามคนอื่นเขาเนี้ยแมมอง <c ười> บางทีบางทีเขามีสำนวนอะไรนะมองหัวจดเท้าอะไรเงี้ยมองแบบแบบดูหมินเนี่ยให้เห็นเห็นแต่บางคนแม่นะตาเขาทำเฉยๆหน้าเขาทำเฉยๆมือไม้ก็ไม่ออกนะแต่เรารู้อยู่ใจเราเนี่ยแหละรู้อยู่ว่า บึ้งสู้กูไม่ได้หรอกเนี่ยมันมันอยู่ในใจเราเนี่ยแหละมันมันดูหมิ่นคนอื่นอยู่ใน ใ, นใจอันนั้นนะ่ก็ยังเป็นอัตามาณะอยู่นะซึ่งไม่ดีใครมีอย่างนั้นไม่ดีแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้จริงๆอ่าคือเขาเขาอาจจะเรียนไม่เก่งเท่าเราเขาทำงานไม่ไม่ดีเท่าเราอ่าหรือว่าเขาถือศีลเนี่ยต่ำกว่าเราอะไรอย่างนี้นะ แต่เราก็ไม่ควรมีจิต ท, ที่จะไปดูหมินคนอื่นก็เพราะจิต ท, ที่ดูหมินเนี่ยให้รู้ว่ายังเป็นกิเลส ท, ที่เราเรียกว่ามานะอยู่ยังเป็นกิเลสตัวนี้ซึ่งแปลว่าถือดีถ้าถ้าถ้าจะพูดภาษาเดี๋ยวนี้อาจจะใช้คำว่าหลงตัวยังชอบหลงตัวเองเพราะคนที่หลงตัวเองเนี่ยมันจะดียังไงล่ะสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็เจอจนได้เจอดีจนได้อะนะเพราะจะอวดดี คนหลงดีเนี่ยก็จะอวดดีชอบที่จะอวดดีอวดเก่งเี่ยแล้วในที่สุดเดี๋ยวมันก็ออกมาเป็นสายตาออกมาเป็นวัดถีกรรมหรือออกมาเป็นกายกรรมที่ให้คนอื่นเห็นน่ยเนี่ยเนีเนี่ ย, ย, ย, ยใช่เลยนะว่าดูหมิ่นคนอื่นครับนี่พอพระวังกีสัจจับอาการของจิตตัวนี้ได้ใช่ไ้ยก็รู้สึกละอายว่าเอาอีกแล้วทำไมเรายังมีมีกิเลสตัวนี้อยู่อีก ไม่น่าจะไปดูหมินเพื่อนภิกษุด้วยกันเลยนะก็เลยมีความคิดอบรมตนว่าไม่เป็นลาบของเราหนอเราได้ชั่วเสีแล้วหนอที่ได้ดูหมินเพื่อนภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักด้วยไหวพริบปฏิพานของเราคือท่านก็รู้เลยว่าเหตุผลอะไรต้นตออะไรที่ทาให้ดูหมินเพื่อนภิกษุรูปอื่นเพราะ เ, าเพราะ เราเป็นแม่ครัวมานานกว่าเพราะเราชํานาญอะไรถูบ้านอันนี้เหนือกว่าเพราะอะไรเราพับถุงเก่งกว่าหรือเพราะอะไรอะ่ะเพราะเราหล่อกว่าหรือเพราะเราสวยกว่าหรือเพราะเราร่างกายแข็งแรงกว่าคือคือมันมีเหตุผลในทา้งนง้นนะที่อาตมาพยายามพูดเนี่ยเพื่อให้รู้ว่ามันดูหมิ่นคนอื่นเขาได้ทุกเรื่องอะ่ะ เพียแต่เรื่องไหนล่ะที่เราหลงตัวเราไปมันก็ไอเรื่องนั้นนะ่ะแหละบางทีเนะี่ยยังมีเลยนะโอไอคนเนี้เนี่ยยิ้มสู้เราไม่ได้ดูสิยิ้มแล้วปากเบี้ยวไอคนนะั้นส่วนเรานี่เออเรายิ้มแล้วแหมเท่กว่ากันตั้งเยอะมันหลงได้ทั้งนันน่ะและไอความหลงอย่างนี้แหละที่ทําให้ไปไปเหยียดหยามคนอื่นเขาโดยไม่รู้ตัวคนที่ดูหมินคนอื่นแล้วก็คิดคนอื่นว่าต่ําต้อยกับเราเนี่ย อันตรายเพราะความหลงตัวพวกนี้มันจะทําให้บางทีเนี่ยพูดจาหรือว่าทําอะไรออกไปเนี่ยมันจะทําแบบชนิดที่เรียกว่าอะไรอะกดขี่คนอื่นเขาหรือว่าทําให้คนอื่นเขารู้สึกได้ว่าว่าโอโหไอ้นี่ไม่อยากไม่อยากก้าใกล้เลยไม่อยากคบเลยนะแล้วมันมันจะไม่รู้สึกที่เป็นกันเองไม่รู้สึกที่อะไรอะเป็น เป็นพี่เป็นน้องเป็นความสนิทสนมนะเพราะนั้นพยายามเนี่ยท่านาพราวังขีสานี้ท่านก็จับได้ทันเพราะที่ไปดูมีนภิกษุอื่นเนี่ยภิกษุอื่นท่านก็มีศีลนั่นเป็นที่รักเหมือนกันคืออย่าหลงว่าเป็นคนฉลาดเพราะนั้นท่านกาลังบอกว่าจริงๆมันวัดกันที่ศีลอา้าบัวเป็นพระแล้วเนี่ยศีลก็เสมอกันศีลก็เท่ากันใช่ไมถ้าถ้า ตามฐานะอันนะศีลพระปฏิโมกหรือว่าจุลศีลมชิมศีลมหาศีลที่ภิกษุถือเนี่ยท่านก็ถือเท่ากันเพราะั้นก็ต้องถือว่าเท่ากันนะส่วนใครว่าปฏิบัติได้แค่ไหนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้ถือว่าศีลเสมอกันนะพอท่านรู้อย่างนี้ใช่ไหมท่านก็เลยพูดง่ายๆว่าสอนตัวเองแหละฉะนั้นจงละทิ้งมานะเสีย ละทิ้งทางแห่งความเย่อหยิ่งให้หมดสิ้นเพราะผู้ลบหลู่ใครๆให้มัวหมองจะต้องได้รับความเดือดร้อนตลอดกาลนานจะไปตกนรกของคนกิเลสหนาต้องเศร้าโศกอยู่เพราะความทนงตนคือท่านรู้เลยว่าถ้าสะสมไอ้เรื่องพวกนี้ความเย่อหยิง่งความยะโสความโอหังอะไรต่างๆนะอันนี้มันอยู่ในสายของคนมีอัตตามันนะ เพราะท่านถ้าสะสมไปอย่างเงี้ยท่านบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปนรกของคนกิเลสหนาะไปนรกของปุถุชนนั่นเองหมายถึงว่าสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยสภาวะจิตจที่มีอัตตามำนาจเพิ่มขึ้นภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยนั่นแหละในที่สุดมันจะค่อยๆไม่ใช่ขาขึ้นแล้วคราวนี้มันจะขาลงมันจะกลายไปเป็นปุถุชนมากขึ้นเรื่อยๆปุถุชนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะในที่สุดสะสมอาการกจิตอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็จะทําอาการ กายกรรมวจีกรรมออกมาเป็นปุถุชนคือหยาบลักษณะจะดูหมิ่นคนอื่นเนี่ยจะหลุดออกมาเลยนะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเดือดร้อนเดี๋ยวก็จะต้องเศร้าโศกใจในภายหลังแต่ถ้าหากปฏิบัติธรรมถูกตรงชนะกิเลสด้วยมัคมัคนี่ก็คือมัคองค บ, บัดนั่นเองนะย่อมไม่เศร้าโศกจะได้รับเกียรติคุณและความสุขบัณฑิต ท, ทั้งหลายจึงเรียกผู้กระทําได้เช่นนี้ว่า ผู้เห็นรำนะจึงจะจึงจะถูกต้องอันนี้ท่านก็พูดง่ายว่าสอนตัวเองทั้งหมดนะนี่ไม่ใช่คนอื่นสอนอันนี้ท่านสอนตัวเองแล้วประเด็นเนี้ยอัตามายอยากจะพูดถึงว่าคนเราเนี่ยนะที่ทําไมบางทีต้องศึกษาที่ต้องศึกษาเนี่จะอ่านหนังสือหรือจะมาฟังคนอื่นเขาพูดหรือจะฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมก็แล้วแต่อันเนี้ยเราเรียกว่าการศึกษา นะัหรือสิกขาเนี่ยแปลว่าการศึกษาที่ศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่ออย่างน้อยๆ น, นะอาจจะยังทําไม่ได้แต่รู้เอาไว้รู้ไว้เพื่ออะไรอะ่ะนี่แหละรู้ไว้เพื่อมันเกิดสติแล้วมันจะได้เตือนแล้วมันจะได้สอนจะได้บอกตัวเองได้เราจะรอให้แต่คนอื่นเนี่ยมาบอกเราไม่ทันการหรอกบางครั้งเนี่ยไปเจอใครมาด่าเราเนี่ยยังไม่ทันตั้งตัวเลยมันขึ้นแล้วอะ่ะ กิเลสตัวโทสะตัวความโกรธมันขึ้นแล้วคุณจะรอใครมาแบบว่าเอ้ยมาห้ามแล้วก็อย่ากโกรธนะโกรธมันไม่ดีนะอู้คุณจะรอคนมาอย่างนี้ต้องมีคนคอยอะไรนะติดสอยห้อยตามตลอดเวลาเลยเรียกว่าต้องคอยบอกกันเลยนะว่าถ้าอะไรนะถ้าโกรธเมื่ อ, อไหร่รีบรีบเตือนเลยนะรีบบอกรีบจัดการเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนกษัตริย์พระองค์ไหนอะ่ะ ที่บอกว่าให้คอยเตือนเวลาท่านเสวยภระกระยาหารเนี่ยมันต้องคอยเตือนนะอย่าให้เสวยอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านท่านจะสั่งคนเอาไว้ซึ่งซึ่งอันนั้นนะจริงๆแล้วมันก็ดีแต่เราจะหวังอยู่แต่อย่างนั้นไม่ได้คนอื่นเตือนเนี่ยจะเร็วเท่าเราเตือนตัวเราเองเลยเวลาไฟมันลุกพุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันช้าไม่ได้เลย ถ้ายิ่งช้าไฟ ย, ยิ่งกองโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันยิ่งเผาไมมกองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งดับได้ไวที่สุดเท่าไหร่ไฟมันพึบขึ้นมาปาั๊บใช่ไหมมันยังเล็กอยู่เงี้ยดับได้ไวเท่าไหร่ไฟก็ยิ่งมอดเร็วเท่านั้นเพราะนั่นอันเนี้ยเพราะยิ่งต้องต้องอาศัยตนเนี่ยที่พระเจ้าท่านตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยท่านก็หมายความอย่างเงี้ยคือต้องอาศัยตัวเราเองเนี่ยดับไฟราคะโทสะโมหะ หรือม a n a พวกเนี้ยให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้นอกจากว่าแหมหัวสมองมันตีบตันจริงๆเลยอยากจะดับนะจะไม่รู้จะดับไงหาวิธีอะไรก็ไม่ได้สมองมันตื้อตันไปหมดเพราะนั้นอันนี้ต้องฉลาดละรีบหาคนช่วยว่าใครใครจะช่วยดับไฟราคะโทสะหรือว่าม a n ะของเราได้อย่ารอช้านะถ้ารอช้านี่มันดับไม่ทัน มันจะเผาไหม้ไปเรื่อยๆพอตอนนีนน้ท่านถึงบอกว่าเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายจึงเรียกผู้กระทาเช่นนี้ว่าผู้เห็นธรรมนะคนที่รู้ธรรมะเห็นธรรมะจริงๆเนี่ยจะฉลาดในการที่รีบดับไฟที่มันเผาท่านเปรียบว่าเผาศีรษะของเราลองนึกภาพตามความเป็นจริงถ้ามันเกิดมีเนี่ยไม่ขี่สักก้านหนึ่งนะ้าที่เขาจุดไฟเนี่ย หรือหรือฐานสักก้อนหนึ่งอ่ะฐานที่ติดไฟเนี่ยนะใครเอามาวางไว้บนหัวเราคุณคิดดูสิมันยังมันยังติดไฟอยู่เนี่ยมันก็จะต้องไหมไหมผมเราเอาก่อนเลยใช่ไหมถ้าคุณเห็นหรือคุณรู้เนี่ยมีแล้วคุณจะปล่อยช้าคุณจะไม่ปล่อยแล้วรีบปัดได้ปัดทันทีเลยจะไม่รอเลยเพราะาอะไรเพราะมันร้อนนะแล้วปล่อยไปมันก็ยิ่งเผาไหม ผมเราหมดแหละเพราะใ ห, ใ ห, ให้คิดอย่างนั้นออนกิเลตัวไหนเนี่ยที่เรารู้แล้วว่าโอ้โหกิเลตัวนี้เล่นงานเรามากเลยให้พยายามนึกเหมือนกับไฟร้อนๆเนี่ยที่มันเผาศีรษะเราอยู่เพราะถ้านึกอย่างนี้แล้วมันอยากจะรีบสลัดออกนะไม่อยากปล่อยไว้เลยหาวิธีดับได้ดับนะกระโดดน้ํามีกระโดดตูมลงน้ําแน่นอนนะจะเป็นลักษณะนั้น เนี้ท่านก็สอนบอกว่าเนี่ยเราไม่ควรมีกิเลสตรึงใจในโลกนี้ควรมีแต่ความเพียรให้ถูกตรงระนิวอนนิวานนี่ก็นิวอ น, ว น, ว น, ว น, วนวหอะไรต่างๆ น, นะไ อ, อ้เครื่องที่มันจะกั้นกิเลสเราไม่ให้ไม่ให้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่านิวอนนาจะห้าหรือจะมากกว่า5้าก็แล้วแต่นาระนิวรนแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ ละมานะไม่ให้มีเหลือเป็นผู้สงบประงับกิเลสด้วยวิชาก็เพราะความละอายในการดูหมินภิกษุทั้งหลายภิกษุวังคีสะจึงภาคเพียมบำเพ็ญตนด้วยตนเองจนหลุดพ้นมานะทั้งปวงได้สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเพราะว่าท่านก็เก่งอะแล้วท่านก็ขยันด้วยที่จะลดละกิเลสตัวเองจับ กิจได้เมื่อไหร่ว่าโอ้โหกิเลสเกิดขึ้นแล้วท่านก็จัดการทันทีเลยท่านไม่รอช้าเพราะท่านก็เลยบรรลุธรรมได้ไววันเนี่ในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่เพราะภิกษุทั้งหลายไม่รู้ว่าพระวังคีสะเถระได้อรหัตผลแล้วและยังเห็นมีนิสัยมักกล่าวชมสรรเสริญพระศาสดามากมายหลายที่หลายแห่งเสมอเสมอคือพระวังคีสเนี่ย เป็นผู้ที่มีไหวพริบปฏิพานฉลาดในการจะพูดจานะกล่าวคําพูดอะไรก็ได้ไพเราะด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยท่านเกิดโอ้โหเกิดจิตศรัทธาเรื่มใสพระผู้เจ้าเนี่ยท่านก็จะกล่าวชมเพื่อนง่ายนะพอเจอผู้เจ้าที่นั้นที่นี้เนี่ยก็โว้ก็สรรเสริญยกย่องผู้เจ้านะเดี๋ยวเจอที่นั้นก็ก็ไม่รู้ละใครจะอยู่ใครยังไงท่านก็กล่าวชมเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะ อะไรอ่ะกาละบางครั้งก็อาจจะเหมาะมั่งไม่เหมาะมั่งแต่ท่านก็กล่าวชมละเพราะฉะนั้นภิกษุอื่นเห็นเนะ่ยเอ๊่นี่ยังไงเนี่ย <c oughs> นะก็ชักรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชอบกล่าวชมยังแล้วนะไม่รู้ว่าด้วยง่ายแล้วภิกษุอื่นก็ไม่รู้ว่าท่านบรรลุธรรมแล้วอนะเอ๊ะมากล่าวชมกล่าวชมผู้เจเจ้าอย่างนี้นี่ไม่รู้มีมีจิตอย่างอื่นหรือเปล่านะที่ไม่ดีอ่ะชักจะคิดไปในทางไม่ดีละ ทั้งยังพูดจาแพรราะเหมือนประจบกิบว่าเอฟนี่มาประจบพุทธเจ้าเปล่าเที่ยวยกย่องสรรเสริญไปทั่วไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรเทระพระมหาโมคลานะเทระพระัญญาโกธัญะเทระก็ตามคือบางทีก็ไม่ใช่ชมแค่ภูธเจ้าชมรูปนั้นอีกชมรูปนี้อีกชมเขาไปทั่วนี่นี่นี่คือถ้าชมมากไปเนี่ย คนเขาแทนที่เขาจะรู้สึกว่าดีเขาจะรู้สึกว่ามันเบอร์ละมันเกินไปและ้ะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังอะไรก็ตามที่เคยบอกว่าอะไรก็ตามถ้ามันเกินพอดีพอเหมาะแล้วมันก็กลายเป็นไม่ดีทั้งนั้นเพราะอันนี้จะต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีถ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านก็สอนว่าให้มีสับพุริศธรรมนะประมาณบุคคลประมาณเวลาประมาณสถานที่ประมาณโอ้ยอะไรต่ออะไรนะท่านสอนไว้เยอะแยะ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องฝึกไว้แม้ว่าเราจะกล่าวคาจริงกล่าวคำถูกต้องนะกล่าวคำที่เป็นสาระประโยชน์แต่ผู้เจ้าก็สอนว่าต้องรู้จักกาลเทศะด้วยในการที่จะกล่าวแล้วนี่ก็ไม่ได้กล่าวแบบอะไรนะเพ่งโทษใครไม่ได้กล่าวว่าร้ายใครด้วยนี่กล่าวไพเราะด้วยนะกล่าวชมคนด้วยแต่คุณคุณเคยไหมเออบางทีเนี่ย ขนมหรือว่าอาหารเนี่ยโอ้โหเราชอบมากเลยอร่อยๆแต่เป็นไงพอกินไปมากๆเข้ามากๆเข้าือเขามีสำนวนหนึ่งเขาบอกว่าอ่าอันนั้นอันนั้นเพราะหน่อยว่าเลี่ยนเอออีกอีกอันนึ่งก็บอกโอ้โหชักกินไปมากๆเขาชักเอียนแล้วนั่นมันมั น, ม, นมันชักโอ้โหมันนะมันจะเลี่ยนหรือว่ามันจะเอียนแล้วโอ้โหกินมากเข้ามากเข้ามันไม่อร่อยแล้วนะ เคยแม่มีเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังจากของจริงมีคนที่ติดขนมอ่ะเสร็จแล้วก็มาตั้งตบาบ่าวว่าว่าอยากจะเลิกกินขนมเขาก็เลยตั้งตาบ่าว่าเนี่ยมันนี้จะกินขนมจะกินแต่ขนมอย่างเดียวเขาติดขนมอ่ะนะเขาจะกินขนมอย่างอยากกินถ้ามันเอียนไปเลยกินถ้ามันโอ้โหอวกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็กินจริง แต่ไม่รู้นะว่าใครสอให้ตั้งตาบับแบบนี้ไม่ตั้งอย่างนี้จริงๆแล้วก็ทําจริงๆด้วยมันก็จริงอยู่เหมือนกันนะก็บอกแล้วว่าเขากินไปมากๆเข้าเนี่ยอะไรที่มันเกินไปแล้วเนี่ยจากของอร่อยก็จะกลายเป็นของไม่อร่อยทันทีเลยเพราะฉะนั้นที่จะอ้วกเนี่ไม่แปลกอะไรหรอกก็อ้วกได้จริงๆแต่ถ้าตั้งตะบัไปอย่างนี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้อะไรอะ่ะ มันไม่ได้รังเกียจจริงหรือมันไม่ได้เห็นทุกข์ไม่ได้เห็นทุทุภัยจริงมันก็ยังจะติดอยู่อีกยังจะชอบยังจะอยากกินต่อไปอีกไอ้ตอนนี้อ้วกกก็อวไปเดียอะเอาใหม่อีกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีวิชาหรือว่าไม่ได้เกิดญาณไม่ได้เกิดความรู้ที่จะรู้ว่าไอ้ไอขนมอย่างนี้กินมากๆมันไม่ควรกินกินแล้วก็จะเป็นอันตรายหรือว่าเป็นทุกข์ร้อนเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจตรงเนี้ยมันก็จะไป ปฏิบัติโดยคิดว่าอะไรอ่ะให้มันเยอะๆเลยแล้วมันจะเลี่ยนไปเองไม่จริงอันนี้ผู้เจ้าก็ยืนยันไว้อะไรที่ไม่รู้อิ่มไม่รู้พอคําว่าไม่รู้อิ่มไม่รู้พอเนี่ยไม่ใช่ว่ากินแล้วก็ไม่อิ่มไม่ใช่นะคุณกินไปเนี่ยคุณกินของที่คุณชอบเนี่ยกินไปมากๆอ่ะบอกแล้วเดี๋ยวมันก็จุกนะคุณจะคราวนี้ไม่ใช่กินเน่ะคราวนี้ยัดยังไงก็ไม่ลงละอ่เพราะฉะนั้นน่ะ พอมันถึงจุดนั้นแล้วอะไรอะไรก็เอาเข้าไปไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วตอนนั้นมาอร่อยที่ไหนมันทรมานแล้วทั้งอึดอัดทั้งร่างกายเพอเพอตาย <c oughs> จุกคอหอยตายหายใจไม่เข้าไม่ออกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเราจะต้องเข้าใจตรงเนี้ว่ามันไม่อิ่มไม่พอนี่ไม่ใช่หมายถึงว่ากินกินแล้วไม่รู้จักอิ่มไม่ใช่กินแล้วอิ่มแต่เดี๋ยวมันอยากใหม่อีกนี่แหละ เดี๋ยวก็อยากใหม่อีกอิ่มวันนี้เดี๋ยวพุ่งนี้อยากอีกแล้วพอพอมันอ้วกออกไปแล้วเดี๋ยวพุ่งนี้อยากอีกแล้วพุ่งนี้อ้วกอีกเอาแต่เดี๋ยวมันมลื้อนี่มันก็อยากอีกแล้วเพราะใจที่มันอยากเนี่ยมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุตัวนี้นี่มันจะไปแก้ที่ปลายเหตุไอตัวกินเข้าไปเฉยๆแต่ตัวต้นเหตุจะคือใจที่มันอยากมันชอบอ่ะมันรักอ่ะมันติดอ่ะใจมันยังยังยังยึดอยู่อย่างนั้นอยู่เลย